ทวีหิสีเลหิกถา100ว่าได้ศีลสองอย่าง587ส ก, กวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นผู้บริบูรณ์ได้ศีลสองใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาตีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นผู้บริบูรณ์ได้ผัสสะสองเวทนาสองสัญญาสอง เจตนาสองจิตสศรัทธาสองสติสองสมาธิสองปัญญาสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโลกิยะศีลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะที่เป็นโลกิยะเวทนาที่เป็นโลกิยะ สัญญาที่เป็นโลกิยะเจตนาที่เป็นโลกิยะจิตที่เป็นโลกิยะศรัทธาที่เป็นโลกิยะวิริยะที่เป็นโลกิยะสติที่เป็นโลกิยะสมาธิที่เป็นโลกิยะปัญญาที่เป็นโลกิยะใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลที่เป็นโลกิยะ และโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะที่เป็นโลกียะและโลกุตระเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาที่เป็นโลกียะและโลกุตระใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมัก <thrown> เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลที่เป็นโลกิยะใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นปุถุชนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น588สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาที่เป็นโลกิยาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิ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 สัมมาสติที่เป็นโลกิยะสมาสมาธิที่เป็นโลกิยะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมากรมมันตะที่เป็นโลกิยะสัมมาอาชีวะที่เป็นโลกิยะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมัก เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะสัมมาส ม, มาธิที่เป็นโลกิยะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมได้มักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที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 เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาวายามะที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาสติที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาสมาธิที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมัดเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมารกรรมมันตะ ที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาอาชีวะที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที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 5้าปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมได้มักเป็นผู้บริบูรณ์ได้ศีลสองใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเมื่อโลกิย์ศีลดับไปแล้วมักจึงเกิดขึ้นใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้ทุศีลมีศีลขาดมีศีลทะลุเจริญมัก ได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้พรังพร้อมด้วยมักจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสองทวีหิสีเลหิกถาจบเจ็ดศีหลังอเจตสิกันติกถาหนึ่งร้อยเอ็ดว่าด้วยศีลไม่เป็นเจตสิกห้ารอยก้าสิบสกวาที ศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักรายยตนะเป็นกายายตนะเป็นบรูปายตนะ ант, เป็นโพธปพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภรสษาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิยกสติสมาธิปัญญาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภัฒนาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่ ักวาทีศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัท ธ, ธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น5้า สกวสาทีศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลมีผลที่ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลมีผลที่น่าปรารถนามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากศีลมีผลที่น่าปรารถนาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าศีลไม่เป็นเจตสิกสกวาที ศรัทธามีผลที่น่าปรารถนาศรัทธาเป็นเจตสิกใช่ไหมประวาทีใช่ักาวาติศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีวิริยะสติสมาธิปัญญามีผลที่น่าปรารถนาปัญญาเป็นเจตสิกใช่ไหมประวาทีใช่ ักวาทีศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีศรัทธามีผลที่น่าปรารถนาศรัทธาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิริยะสติสมาธิปัญญามีผลที่น่าปรารถนาปัญญาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น592ร Yin. สกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาที ใช่สักวาทีศีลไม่มีผลไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีศีลมีผลมีวิบากมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากศีลมีผลมีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าศีลไม่เป็นเจตสิกสักวาทีจักขายตณะไม่เป็นเจตสิกไม่มีวิบากใช่ไหม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 ไม่ควร ก, ก i, ล่ e จจ i, วาวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายัตนะไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตายัตนะ กายายตนะรูปายตนะโพธายตนะไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห93รกสักวาทีสัมมาวาจาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสัมมาธิฐิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที สัมมาวาจาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา ส, สมาธิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที สมาธิฏฐิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสามาชีวะไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีสมัมมาสังกัปปะสัมมาวายมะสมาสติสมา i, ส, hic, สมาธิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสมาธิฐิเป็นเจตสิก ใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิฐิเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมา สังกัปปะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ส, gravity, ส ม, มาวาจาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีสมาสมาธิเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีส ม, มากรรมตะ สัมมาอาชีวะเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเมื่อศีลเกิดขึ้นแล้วดับไปบุคคลผู้มีศีลดับไปแล้วนั้นเป็นผู้ทุศีลใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปรวาทีดังนั้นศีลจึงไม่เป็นเจตสิกศีลังอเจตสิกันติกถาจบ 8. ศีลังนจิตตานุปริวัตีติกถา1นว่าด้วยศีลไม่คล้อยไปตามจิต 595. กสสกวาทีศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีศีลเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพัสจะไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัท ธ, ธาปริยาสติสมาธิปัญญาไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภัสสะคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นจักวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาปริยัตสติสมาธิปัญญาคล้อยไปตามจิตใช่ไหมประวาทีใช่จักกวาทีศีลคล้อยไปตามจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยกกักวาทีสัมมาวาจา ไม่คล right? oh, yes. ้อยไปตามจิตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสมาธิฏฐิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาวาจาไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสำมาเกตมันตะสมาอาชีวะไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสำมาทิฐิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสำมาอาชีวะไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ส, am, ส, Israeli, ส, ส, Rama, สัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาทิฐิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาทิฏฐิคล้อยไปตามจิตใช่ไหม ปรวาทีใช่สกกวาทีสัมมาการมันตะสัมมาอาชีวะคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาคล้อยไปตามจิตใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักกวาทีสมาสมาธิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่ักกวาทีสามากัมมันตะสัมอาชีวะคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้อเจปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหม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 สมาทานเหตุกัตถา1น่้ยสว่าด้วยศีลมีการสมาทานเป็นเหตุ598ร้กราสิบสกวาทีศีลมีการสมาทานเป็นเหตุจเจริญได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาที่มีการสมาทานเป็นเหตุจเจริญได้ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุจเจริญได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีศีลเจริญได้เหมือนเถาวันเหมือนเถ่ายันทรายเหมือนต้นไม้เหมือนตอน้นหญ้าเหมือ น, อนหญ้าปล้องใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น599สกวาที ศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุจเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อบุคคลสมาทานศีลแล้วตรึกถึงกามวิตตกตรึกถึงพยาบาทวิตกตรึกถึงวิหิงสาวิตกอยู่ศีลจะเริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งภัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาที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 สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกิน4ี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. ท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่หนึ่งเป็นต้นละเพราะฉะนั้นธรรมของสัตวบุรุษจึงห่างไกลกันกับธรรมของอสัตบุรุษมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาติใช่จกวาที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 ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดปลูกสวนอนารื่นรมปลูกปา่ชาชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ได้ศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์มีอยู่จริงมีใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุจึงเจริญได้สมาทานเหตุตุกถา จบสิบวินยติสีลันติกถา1 0ึ่ว่าด้วยวินยัตเป็นศีล6กรอดสกวาทีวินยตเป็นศีลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีวินยตเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที วินยัตเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการลักทรัพย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวินยัตเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในการใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวินยัติเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการพูดเท็จใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที วิญญัตเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการกราบไหว้เป็นศีลการลุกรับเป็นศีลการทำอัญชิีเป็นศีลการทำสามีจิ ก, กรรมเป็นศีลการจัดอาสนะให้เป็นศีลการจัดที่นอนให้เป็นศีล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 เมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกรสองปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าวิญยัตเป็นศีลใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีวิญยัติเป็นความทุศีลใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นวิญญาตจึงเป็นศีล วินยติศีลันติกถาจบ11อวินยติทุ ส, สีลยันติกถา105ว่าด้วยอวินยตเป็นความทุสีนหกร้อยสามกวาทีอวินยัตเป็นความทุศีลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวินยตเป็นปานาติบาใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวินยัตเป็นอธินาทานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวินยัตเป็นกาเมสุมิจฉาจาร์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวินยัตเป็นมุสาวาทใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกว า, าวาทีอวินยัตเป็นสุราเมรยะมัชประมาทฐานใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทิเมื่อบุคคลยึดถือบาปกรรมคือตั้งใจทํากรรมชั่วแล้วให้ทานอยู่บุญและบาปทั้งสองอย่างเจริญได้ใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาที บุญและบาปทั้งสองอย่างจเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแหง่งภรรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการประชุมแหง่งภรรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษ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 สกวาตีพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกจุดทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลอเกิน4ี่อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลอเกิน4ี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. ท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลอเกินอย่างที่หนึ่งเป็นต้นละเพราะฉะนั้นธรรมของสัตตบุรุษจึงห่างไกลกันกับธรรมของอสัตตบุรุษ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวา่าทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เร็วและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้สกวาทีเมื่อบุคคลยึดถือบาปกรรมแล้วถวายจีวรปิณทบาต เสนาสะนะคีฬานปัจจัยเพศสัตบริขารกราบไหว้ผู้ควรกราบไหว้ตอนรับผู้ควรต้อนรับทำมัญชลีแก่ผู้ควรทำมัญชลีทำสามีติกรรมแก่ผู้ควรทำสามีติกรรมให้อาสะนะแก่ผู้ควรให้อาสะนะให้ทางแก่ผู้ควรให้ทางบุญและบาปทั้งสองอย่างจเจริญได้ใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีบุญและบาปทั้งสองอย่างเจริญได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีมีการประชุมแห่งภัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีมีการประชุมแห่งภัสสะสองอย่างและจิตสองดวงใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาที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 มาประชุมกันได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกะเลิเกินสี่อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกะเลิศเกิน4อย่างอะไรบ้างคือหนึ่งท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกะเลิศเกินอย่างที่หนึ่งละเพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงห่างไกล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 ท่านไม่ยอมรับว่าอาวินยตเป็นความทุศีลใช่ไหมสกวาธีใช่ปราวาทีบุคคลเป็นผู้ยึดถือบาปกรรมมิใช่หรือสกวาธีใช่ปราวาทีหาบุคคลเป็นผู้ยึดถือบาปกรรมคือตั้งใจทํากรรมชั่วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอาวินยตเป็นความทุศีลอวินยตติ ทุศสีและยันติกถาจบทสมวัตจบรวมกถาที่มีในวัคนี้คือ 1. นินโรกธกถา 2. รูปังมัคโคติกถาสาปัญจวิญญาณสมังคิดสมัคคภาวนากถา 4. ปัญจวิญญาณสุขสลาปิอากุศลาปีติกถา 5. า สาโพคติกถา 6. ทวีสีเลหิกถา 7. สีลังอเจติสิกันติกถา 8. ศสีลังนจิตตานุปริวัติติกถา 9. สมาทานะเหตุกถา 10. วินยติสีลันติกถา 11. ออวินยติทุตสีระยันติกถาทุติยปันธาจบ กรรมวัคที่มีในทุติยปนนาดนี้คือวัคที่หเริ่มด้วยนิยามะกถาวัคที่เจเริ่มด้วยสังคหิตะกถาวัคที่8เริ่มด้วยฉักคติกถาวัคที่เกเริ่มด้วยอานิสังสทัสาวีกถาวัคที่สิเริ่มด้วยนิโรธะกถา